Thank you.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 ในใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆมากมายที่มันไม่พึงปรารถนาเส่นเลยตลอดจนความทรงจำต่างๆนะที่มันไม่น่าจะเอาเก็บเอามารกใจแต่เราก็เอามายัดเอามาใส่จนรกเดี๋ยวนี้ผู้คนเนี่ยนะเรียกว่ารกใจก็ได้ทั้งรกบ้านทั้งรกใจ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 อีกส่วนนึงพรเข้าใจความจริงยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมีคนนึงก็โทรศัพท์มือถือหายเครื่องใหม่ราคาแพงนะเก็บข้อมูลไว้เยอะเลยก็เสียใจจงกระทั่งต้องไปหาหลวงพ่อในวัดใกล้ๆซึ่งเป็นมีชื่อเรื่องของการท่านดูของหายได้เป็นการลือกันอย่างนั้น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 ต้องไปเหมือนกันพอเจอแบบที้เข้านี่แกได้สติขึ้นมาเลยนะลาหลวงพ่อเลยไม่ขอละพ่ อ, อไหลก็พ่อรู้ว่าโทรศัพท์หายนี่มันเป็นแค่ส่วนของชีวิตพ่อต่อไปต้องหายมากกว่า น, นี้จะต่อไปต้องสูญเสียมากกว่า น, นี้ต่อไปต้องพัดพร่ามากกว่า น, นี้ก็ได้สติขึ้นมาว่าความสูญเสียพัดพร่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ยังได้คิดถือว่าเออสูญเสียโทรศัพท์มือถือก็ยังดีนะเพราะว่า ต่อไปต้องเสียมากกว่า น, นี้ถ้าไม่เสียก่อนตายก็เสียตอนตายนั่นแหละมันก็มีแค่สองอย่างของที่เรามีทั้งหมดนะ่ในสุดมันก็ต้องเสียไปไม่ก่อนตายก็ตายก่อนถ้าเราเข้าใจความจริงของธรรมชาติชนิดนี้เราก็ก็ยิ้มได้กับความสูญเสียพัดพราที่เกิดขึ้นอันนี้แหละก็ถ้าเราถาทาใจอย่างนี้ได้นะเราก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข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 นะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมามาสำรวจตรวจสอบร่มของเราว่าร่มใจนี้มันเป็นอย่างไรมันพอเพียงกับการที่จะไปประจนโลกประจนชีวิตกว้างไหมมัน จ, จะเล็กไปก็ต้องทำให้ใ ห, ใหญ่ขึ้นมัน จ, จะไม่แข็งแรงก็ต้องเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นเมื่อเรามีร่มใจนะเราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเอาคนเวลานี้เนี่ยนะอยู่ไม่ค่อยอยู่ได้เป็นสุขเท่าไหร่อย่างที่พูด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 กินอาหารหรูอาหารชั้นเลิศก็ไม่รู้สึกอร่อยไปเที่ยวแต่ใจยังกังวลเรื่องงานก็ไม่มีทางลื่นเลิงบรรเทิงใจได้และถ้าใจเราไม่รู้จักวางให้ดีหรือไม่สามารถจะทำให้สงบนิ่งได้เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีความสุข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 เดี๋ยนี้พ่อแม่นี่ทำสงครามกับลูกวัยรุ่นเนี่ยไม่เว้นแต่ละแต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยส่วนกนึ่งกยเป็นเพราะว่าการละเลยที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กก็เลยกลายเป็นวัยรุ่นเกเรพยศใจของเราก็เหมือนกันนะมันพยศกับเรานะ ก, กลัวเราหาเรื่องหาสร้างปัญหาไม่มีหยุดไม่มีย่อน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 ไปกก็เรียกกลับมาไม่ใช่ห้ามไม่ให้ไปนะเราให้เขามีสละที่จะไปแต่ว่าถ้าไปถ้าไปเมื่อไหร่เรารู้เราก็เรียกกลับมาเรียกกลับมาบา่อยๆเราขอภายเหมือนกันแล้วเรียกหมานี่ปล่อยหมาออกจากบ้านหมามันเพลินเราก็เรีย ก, กันกลับมาใหม่ๆ ม, มันก็ไม่รู้มันก็วิ่งเหนี่ยวจาบ้านอีกเราก็เรียกมันกลับมาอีก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 เราจำได้ว่าเราเระลึกได้ว่าเสร็จการตบลมนี้แล้วเลยต้องทำอะไรต่อไปมีงานค้างอยู่นี่เป็นงานของสตินะซึ่งเราใช้อยู่ประจำเราขับรถขับลาเราทางานเราทำครัวเราจะโทรศัพท์ถึงเพื่อนเราจำได้ว่าจะโทรเบอร์อะไรเราจำได้วันเกิดเพื่อนวันไหนเราจาได้วันเกิดแม่วันไหนเราจาได้ว่า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 ปฏิบัติทำเจ็ดวันแล้วทำไม่ได้อะไรแล้วจะเป็นอย่างไงต่อไปนะข้ามช็อตตลอดเวลาเลยมองข้ามช็อตคิดข้ามช็อตตลอดเวลาทาั้งทั้งที่แทนเะียสนใจวันนี้สนใจชั่วโมงนี้ไม่ไปแล้วนะสับสนไปหมดอดีตอนาคตสุดท้ายก็เลยนอนไม่หลับนะใจทั้งนั้นใจทั้งนั้นที่มันทำร้ายเราทา้งทั้นธุรกิจก็ไม่ได้มีปัญหามากที่บ้านก็ไม่ว่าอะไร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 แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเราโง่อย่างนี้เอาอะไรต่ออะไรมายัดไว้ในบ้านใจจนลกไปหมดจน ก, นกระทังกลายเป็นการขับใจขับใจหรือว่าขับแค้นใจถึงเวลาเราที่ต้องขนย้ายไอ้พวกอารมณ์หมักหมมที่ไม่พึงปรารถนาออกไปจากใจของเราออกไปให้หมดให้มันโล่งโปร่งว่างแล้วมันก็จะสบายนะอยาให้พวกเราทำกันอย่างนี้นะ